รวมสิกขาบทที่มีในโกศิยวคโกศิยวัะมี10สิกขาบทคือ 1. โกศิยะสิกขาบทว่าด้วยการทําสันถัดใหญ่ไหม 2. สุทธาการกะสิกขาบทว่าด้วยการทําสันถัดโดยใช้คนเจียมดําล้วน 3. ามเทเวพาคาสิกขาบทว่าด้วยการทําสันทัดโดยใช้คนเจียมดำสองส่วน 4. ี่ฉับพัทสิกขาบทว่าด้วยการเก็บสันถัดไว้6ปี 5นิสีธน yea สันทตะสิกขาบทว่าด้วยการทําสันทัดสําหรับรองนั่ง 6. เอลกะโลมะสิกขาบทว่าด้วยการรับขนเจียม 7. เอลกะโลมะโทวาปนะสิกขาบทว่าด้วยการให้สักขนเจียม 8. รูปิยะสิกขาบทว่าด้วยการรับรูปิยะ 9. รูปิยะสังโวหารสิกขาบทว่าด้วยการแลกเปลี่ยนรูปิยะ 10. กยะวิก กะยศะิขาบทว่าด้วยการซื้อขาย